เห็นเพื่อนมีทุกข์หนักเป็นเหตุสุดวิสัยที่เราจะช่วยเหลือได้เราก็วางเฉยไม่ซ้ำเติมจิตคิดววาอย่างนี้ให้มันเป็นปกติอย่างนี้เราจะมีความสุขนี่พูดในด้านเฉพาะที่เราจับทางจะทำกับเขาให้เขามีความสุขเราก็จะมีความสุขตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าปูชาและปะเตผูชัง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 อาสีติมหาสาวกก็ยังอยู่ว่ า, าสาวกเบื้องต่างององค์สมเด็จพระบรมาครูก็มีถึงตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปมีคุณธรรมดีกว่าพระเทวทั์มากแต่พระเทวทั์มองไม่เห็นเพราะคนเลวนี่เราจะเมตตาปรานียังไงมันก็ไม่ได้ทางนั้นจะคิดว่าเรามีพรมีหารสีต่อเขาเขายังมีต่อเรามันก็ไม่แน่นัก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 คนปรเพทนี้ในชาติปัจจุบันก็มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขเขานั่งเป็นทุกข์เขานอนเป็นทุกข์ก็ไม่ได้ความเ่้าร้อนถ้าเขาเป็นคนมีปัญญาจริงเขาก็จะไม่ต้องสร้างความชั่วแบบนั้นเพราะคนสร้างความชั่วประเภทนั้นมีแต่ความเล้าร้อนใจจะหาความสุขชายสุขใจไม่ได้เราก็คิดให้อภัยเขา